อยากเห็นให้ชัดๆว่าอัตตาหน้าตาเป็นอย่างไรให้ดูตอนโมโหที่รู้ตัวว่าผิดแล้วเกิดอารมณ์พานอยากหาเรื่องให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนผิดแทนถ้ารักตัวกลัวผิดเหนียวแน่นปฏิเสธความผิดของตัวไม่พอยังขอให้ใครมารับผิดแทนตนอีกแบบนี้แปลว่าอัตตายังหยาบอยู่มาก ความรู้สึกข้างในยังอึดอัดรุ่มร้อนมากยังอีกไกลกว่าจิตจะหยุดดิ้นได้อัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ทำให้เราต้องทนทุกข์จริงๆอัตตาคืออุปาทานเป็นแค่อาการยึดไปเองหลงไปเองของจิตยิ่งหลงยึดมากยิ่งอึดอัดมากอัตตาหยาบหยาบทำให้มีจิตหยาบหยาบ จิตหยาบๆยบเหนียวนำให้ก่อบาปหนักๆบาปหนักๆบังตาบังใจให้เห็นผิดเป็นชอบกลายเป็นอัตตาพอกพูนขึ้นไปกระทั่งถึงจุดที่อยากได้อยากมีเพื่อตนเองไม่สวนว่าใครจะเดือดร้อนขนาดไหนสำหรับคนอัตตาเบาบ า, บางไม่ใช่ไม่มีกลไกปกป้องตัวเองเลยยังมีอยู่แต่น้อย เช่นผิดแล้วไม่อยากรับผิดแค่ชั่วอึดใจสั้นๆจึกเดียวหรือกระทั่งเต็มใจรับผิดทันทีแม้ฝืนๆฝึดๆอยู่ข้างในบ้างก็ไม่กระซักกระซาให้ใครเห็นยิ่งกลไกการป้องกันตัวเองน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนว่าอัตตาเบาบางลงเท่านั้นเมื่ออาการดิ้นรนเพื่อ อ, อัตตาน้อยความทุกข์ก็น้อยและเส้นทางทุกข์ก็สั้นลงเรื่อยๆ เพื่อจะเริ่มฝึกลดอัตราต้องสังเกตโทษทางใจให้ชัดเช่นเมื่อผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแม้รอดตัวลอยนวลไปได้หรือหาแพะมารับบาปแทนได้ก็ต้องรับโทษทันเหมือนติดคุกอยู่ข้างในรู้สึกลึกๆว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้ายกลายเป็นขี้ข้าปีศาจหรือถูกขังรวมกับตัวบ้าอะไรสักตัวที่มีแต่ความกลัวผิดคิดเพนเพี้ยนงุนงานไม่เลิก เมื่อจับได้ไล่ทันเห็นโทษเห็นภัยของอัตตาคุณจะกล้ารับผิดมากขึ้นพยายามปกป้องมันน้อยลงและพอเอามันลงจากบ่าได้ก็อาจโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลืกชอบอัตตาที่เบาบางลงจริงๆเห็นขนาดของอัตตาที่ไม่เท่าเดิมได้ก็คือเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอนัตตาแล้วเมื่ออัตตาเบาบางลง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 คลายรูปร่างหน้าตาของตัวตนที่แท้จริงบูดบูดเบียวเบี้ยวกึ่งเทพกึ่งปีศาจเป็นที่น่ารำคาญแก่ตนเองยิ่ง